เริ่มศกท่านสาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อเรื่องว่ากถาวัตถุสิบอย่างคำว่ากถาวัตถุก็คือถ้อยคำที่ควรพูดสิบอย่างนะถ้อยคำที่ควรพูดสิบอย่างก็มีหนึ่ง อัิชฉกคถาถ้อยคําที่ชักนําให้มีความปรานาน้อยข้อสองสันตุดิกถาถ้อยคําที่ชักนําให้สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ข้อสามปะวิเวกคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้สงัดกายสงัดใจข้อสี่อาสังสักคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้ไม่ละคนด้วยมู่ ข้อหวิริยารำพักถาถ้อยคําที่ชักนําให้ปลารับความเพียรข้อที่หกศีลกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีลข้อที่เจ็ดสมาธิกถาถ้อยคําที่ชักนําใจให้สงบข้อที่แปปัญญากถาถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดปัญญาข้อที่เก้าวิมุตติกถาถ้อยคําที่ชักนําให้พ้นจากกิเลส ข้อที่สิบอิมุติยาณทัศนกระถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสนะทั้งหมดนี้เรียกว่ากระถาวัตถุนะถ้อยคำที่ควรพูดสิดรระการก็จะอธิบายเพียงย่อๆเพื่อเป็นแนวทางกับนักเรียนนักศึกษ า, าและท่านสาธุชนทั้งหลายส่วนผู้ที่ปรารถนาที่จะให้ละเอียดออกไปนั้นก็ขอให้ท่านได้ ไปศึกษาคนขว้าจากตำราในหลักสูตรเพื่อจะได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นฉะนั้นที่บอกว่าตัฐวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูดสิบอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านทรง ส, สรรเสริญมากเพราะว่าเพราะว่าการพูดถ้อยคำที่ควรพูดนั้นเป็นประโยชน์เรียกว่าทำพูดประพฤติให้เป็นที่รักเคารพนับถือของคนทั่วไป ทั้งเป็นทางให้บรรลุคุณธรรมวิเศษจนถึงที่สุดก็คือได้มรรคผลนิพพานได้แม้พระกุณมันตาในบุตรเทระเจ้าปรากฏว่าท่านเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชมของพุทธบริษัททั้งสี่และได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็เพราะท่านตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการนี้สิทสิประการนี้เองฉะนั้นในข้อแรกที่บอกว่าในข้อแรกที่บอกว่าความเป็น อให้เรานั้นอชักนำให้มีความปรารถนาน้อยหรือว่าถ้อยคําที่ชักนําให้มีความปรารถนาน้อยที่เรียกว่าอัภิชะกะถานะอันนี้ถือว่าเป็นมงคล <นะ S 2> คือคนที่มักน้อยก็ยังที่ได้พูดไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าคนที่มักน้อยเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ย่อมดีกว่าคนมักมาก <นะ S 2> ไอ้คนมักมากไม่ดีนะ มักได้แล้วก็มักมากนี่ไม่ดีคือคนที่เห็นแก่ตัวนะคนเห็นแก่ตัวอืมฉะนั้นให้เราทุกคนนั้นมีความมักน้อยก็คือได้แก่ความยินดีด้วยของที่มีอยู่พอประมาณพอควรแก่กําลังของตนคือไม่เป็นผู้สะสมไว้ให้มากจนเกินควรนะส่วนในข้อที่สองที่บอกว่าสันตุติกถาถ้อยคำที่ชักนําให้เกิดความสันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ส่วนสันโดษได้แก่ความยินดีด้วยของมีอยู่อย่างไรไม่จำกัดว่ามากหรือน้อยเป็นของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็ควรนะอีกในหนึ่งอปิชกถานี้นับว่าเป็นคุณสมบัติฮเป็นคุณสมบัติที่เราทุกคนควรจะให้มีอยู่ในจิตในใจคนที่เป็นคนมักน้อยสันโดษนั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนเคารพรักนับถือเรียกว่าเทวดาก็ชมพรหมก็สนรเสริญ แต่คนที่มักมากอยากใหญ่ไปอยู่ที่ไหนก็คนเบื่อหน่ายคนติชินนินทาย่อมจะทําตัวเองและวงตระกูลของตัวเองให้เศร้าหมองนะไม่ดียิ่งไปกว่า น, นั้นก็อาจจะทําให้เสื่อมลาบเสื่อมยศนะเสื่อมลาบเสื่อมยศได้แต่คนที่มักน้อยสังดดนั่นแหละจะเป็นคนที่มากไปด้วยลาบมากไปด้วยยศนะและจะเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์อยู่ภายในนะมีอริยทรัพย์อยู่ภายใน คนที่มีความมักน้อยไม่ต้องการนะให้ใครทราบคุณงามความดีไม่อวดดีไม่อวดเด่นนะไม่อวดดีไม่อวดเด่นแต่ตรงกันข้ามไอคนที่มกักมากพยายามอวดดีอวดเด่นอยากให้คนอื่นรู้นะฉะนั้นในในข้อที่สันโดษก็เหมือนกันนะก็คือว่ายินดีในวัตถุที่เป็นสมบัตินะตามที่ตนมีตนได้อย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นก็หมายความว่าคนเรานั้น่ะ ย่อมจะได้ของที่ได้มาแต่ละคนละคนนั้นก็ย่อมไม่เหมือนกันแล้วของที่ได้มานั้นบางทีก็ไม่ได้ถูกใจเราเสมอไปนะบางทีก็ไม่ได้ถูกใจเราเสมอไปฉะนั้นก็อไอ้สิ่งใดที่มันไม่ถูกใจเราถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้บ้างจําเป็นบ้างเราก็ยินดีนะเรายินดีถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็อาจจะต้องไปหาเอาใหม่นะอันนี้มันก็จะทําให้เราต้องสูญเสียไปโดยใช่เหตุ หรือถ like ้ามันเกินพอดีแก่เรามันมีหลายอย่างบางอย่างก็ควรแก่เราบางอย่างก็ไม่ควรแก่เราเราก็ควรเอาใจของที่มันควรแก่เราไอ้สิ่งที่มันไม่ควรแก่เราเราก็อย่านําเอามาประพฤติอย่าเอามาอย่าเอามากินอย่าเอามาใช้นะอย่างนี้แหละยนี่กว่าเรายินดีตามมีตามได้แต่ทุกวันนี้เราก็เสื่อมกระสนกันมากนะเราก็เสื่อมกระสนกันมากเหลือเกินในความกเสื่อมกระสนนี่แหละมันทําให้คนเป็นทุกข์นะทำให้คนเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่กระเสือกกระสนก็จะทําให้คนพ้นทุกข์นะนั้นขอให้เราคิดข้อนี้ไว้ให้มากนะอย่าทําตัวเองให้เดือดร้อนนะพยายามทําตัวเองให้เรียกว่าให้ยินดีแต่น้อยนะนั่นแหละกินแต่น้อยก็คือแต่พอควรนะกินแต่น้อยแต่พอควรพูดแต่น้อยแต่พอควรก็จะมีแต่ความสุขก็จะมีแต่ความเจริญ มาในข้อที่สามปะวิเวกกะคถาถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความสงัดกายสงัดใจอย่างนี้เราควรจะภูมิใจคือคนที่มาพูดให้เราเกิดความสงบสงัดจิตใจนั้นถือเราถือว่าเราในโชคดีมากมีบุญมากมีแต่คนที่จะพูดให้เราเกิดความฟูใจมีแต่คนที่จะมาะชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรหรือมีแต่คนที่จะมาพูดกับเราให้เกิดความทยานอยาก มักมากในกลางทําให้ติดในภพในชาติอยู่ร่างไปดังนั้นคนที่พูดให้เราเกิดความสลดทด ถ, ถูเกี่ยวกับเรื่องสังขารคือร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ดีหรือว่าให้เราได้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารที่มันเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาและในสังขาร น, นี้ก็เต็มไปได้วยรังแห่งโรคเต็มไปได้วยของเปือเป่อยเน่าสังขารของเราถือว่าเป็นผ้าชนะที่ใส่ของไม่สะอาด เต็มไปด้วยหมู่หนอนเต็มไปด้วยรังแห่งโรคต่างๆมันเป็นสิ่งน่าเบื่อหน่ายเต็มไปด้วยดีสลเลตหนองเลือกนะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นข่าวมากแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มองดูกันนะไม่ได้มองดูตัวเองมัวแต่คอยจับผิดคนอื่นนะมัวแต่คอยจับผิดคนอื่นการที่คอยจับผิดคนอื่นนั่นแหละมันเป็นความชั่วอย่างมหาห์นนะคนที่อยากรู้ความชั่วของคนอื่นคนนั้นแหละชั่วยิ่งกว่าคนนั้นอีกนะฉะนั้น เราอย่าไปหาความผิดจากคนอื่นเลยเราควรจะมาหาความผิดที่ตัวเองดีกว่าว่าตัวเองพูดผิดทำผิดคิดผิดอะไรหรือเปล่าเมื่อเรามาสอบสวนดูตัวเองว่ายังพูดผิดก็ปรับปรุงแก้ไขยังคิดผิดก็ปรับปรุงแก้ไขยังทำผิดก็ปรับปรุงแก้ไขอย่างนี้ก็ควรให้อภัยพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องว่าอภัยทานนั้นถือว่ามีคุณค่ามากมีประโยชน์มากที่ทุกคนควรประพฤติที่ทุกคนควนป ร, คคว ป, รปฏิบัติเพราะว่า คนเราส่วนมากนักมักจะไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันมักจะถือโทษโกรธกันก็มีการประหัดประหารกันมีการอิจฉานิสยากันกระทบกระทั่งกันผลที่สุดก็คือว่าตายด้วยกันทั้งคู่หรือเกิดความไายาณากันทั้งคู่ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีเมตตาอบอุ่นอารีเกื่อกูลซึ่งกันและกันประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นเหลือที่จะพานับได้นะเหลือที่จะขนานับได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงพูดกันชักนำกันเพื่อให้เรานั้นเกิดความสงัดกายสงัดใจ เมื่อเราสงัดกายสงัดใจอในสังขารร่างกายก็ดีหรือว่าอยู่ในที่สงบสงัดก็ดีหรือว่าใช้ถ้อยคําที่ตารบศีลตารบธรรมตราลบวินัยแน่นอนที่สุดเราก็จะสงบสงบกายได้นทําทให้เรานั้นไม่หมักพุ่นในกามากุลห้าในรูปเวทนาสัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสผลธพระเป็นต้นนอันนี้แหละที่ว่าตะวิเวกคะาะถาคือถ้อยคําที่ชักนําให้สงัดกายสงัดใจนะ รการที่สีอาสังสักกะถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้ระคนด้วยหมู่คนที่ชักนำาให้ลาคนด้วยหมู่ก็คือคนที่กายไปเวกพวกนี้มักจะเป็นพวกอรั ญ, ญวาสีชอบอยู่ป่าชอบเดินทุ ด, ดงเพราะว่าการเดินทุ ด, ดงนั้นเป็นการไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นการเปลีกตัวเองออกจากหมู่คณะออกจากเพื่อนฝูงออกกวาจากความสับสนวุ่นวายฉะนั้นเราทุกคนนั้น อยากอยู่กับหมูอยากอยู่กับคนนะก็จึงต้องอวุ่นกระวนวายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าหากว่าเราปลีกออกไปเราก็เป็นอิสระเปลี่ยนตัวเป็นอิสระเกลี่ใจจะพูดจะทำจะคิดอะไรมันก็เรียกว่าเกิดเป็นประโยชน์นะเกิดเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสที่จะทำกายและใจให้เป็นสมาธิได้แน่นอนที่สุดคา กิจที่ทำคําที่พูดมานั้นมันก็ไม่ค่อยมีสมรรถภาพฉะนั้นเราจะต้องสร้างคุญงามความดีให้มากๆคุณงามความดีจะเกิดขึ้นกับเรามากนั้นเราจะต้องอบรมตัวเองการที่จะอบรมตัวเองนั้นก็พยายามลีกปลีกตัวออกไปจากหมู่คณะจากกลุ่มชนต่างๆไปบําเพ็ญเพียรอยู่ในป่าไปบําเพ็ญเพียรอยู่ในป่าก็ดีหรือที่ห่างไกลจากหมู่บ้านก็ดีนั่งสมาธิจเจริญสมถะวิปัสสนาก็จะทําให้ เป็นที่สงบกายสงบวาจิตสงบใจได้นะเมื่อกายวิเวกแล้วก็เป็นบ่อกเกิดแห่งจิตวิเวกเมื่อจิตวิเวกแล้วก็เป็นบ่อกเกิดแห่งอุปธิวิเวกก็คือสงบกายแล้วก็สงบใจสงบใจแล้วก็สงบจากกิเลสก็จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์และไม่มีความเสื่อมเลยนะหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเป็นประเภทที่เรียกว่าคาเมวาสีอยู่กับชาวบ้าน แต่เราก็ต้องหาง ม, มหาโอกาสที่จะทำจิตใจให้สงบบ้างก่อนนอนตื่นนอนอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเป็นอิสระแก่ตัวเองถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนี้ใจของเรามันก็ถูกดึงให้ลงต่ำอยู่เรื่อยปะปลอยู่กับชาวบ้า น, นาใจมันเป็นชาวบ้านมันก็เป็นของเลวเป็นของที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกลูลอย่างที่พ ร, ร, ระองค์ท่านพระพุทธองค์ท่านตัดไวในธรรมจักรว่าการที่เราประพฤติย่อหย่อนเช่นตาม อะไรตามสบายตามอําเภอใจที่เรียกว่ากรรมมาสุขัลลิกานุโยกเนะี่ยเรียกว่าฮีโนมันเป็นของเลวคัมโมมันเป็นของชาวบ้านอ่าปอทุชนโกมันเป็นของปุถุชนอ่า น, นัทธ ะ, ะสัญญหิโตก็คือมันไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลนะไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลฉะนั้นไม่ดีนะไม่ดีฉะนั้นเราทุกคนก็จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับหมู่มากนะักไม่ติดเพื่อนฝูงมากนะักไม่หลงหมู่มากนะักนะ คือติดเป็นบางครั้งบางคราวคุยกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเวลามาเจอกันซีหรือเข้าที่ประชุมทีหนึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากในข้อที่ห้าวิญญารำคากถาถ้อยคําที่ชักนําให้ปลาลบความเพียรคําว่าถ้อยคําที่ชักนําให้ปลาลบความเพียรก็คือว่าพูดให้เกิดความกําลังใจบางคนนี่พูดแล้วหมดกําลังใจแต่บางคนพูดแล้วเกิดกําลังใจอยากเรียนอยากปฏิบัติ อยากเรียนอยากปฏิบัตินี่บางคนเ็ามีวิธีการพูดดีนะพูดดีมากแต่บางคนพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแต่ฉะนั้นจึงบอกว่าถ้อยคำที่ชักนำให้รารับความเถียรนี่แหมดีเหลือเกินนะดีมากเลยฉันว่าให้เราเกิดความฉันทะในกิจที่ทาคำที่พูดให้เราพอใจในความเป็น พ่อเป็นแม่เราพอใจในความเป็นสามีภรรยาให้เราพอใจในความเป็นลูกให้เราพอใจในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นนักเรียนเป็นพระสะังฆะหรือว่าเป็นข้าราชการทุกกรมกองเราต้องมีความพอใจในตําแหน่งหน้าที่ของเราเมื่อเรามีความพอใจแล้วเราก็จะมีความเพียรในการทํากิจที่ทําคําที่ผููที่เราได้รับแต่งตั้งได้รับมอบหมายนั้นให้สําเร็จหรือล่วงไปได้โดยดีโดยไม่ข้างค้างแล้วก็พยายาม เอาจิตใจฟักไฝอยู่ตลอดเวลาในกิจที่ทําคําที่พูดอันนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาว่างานที่เราทําคําที่เราพูดไปนั้นมันมีอะไรบกพร่องก็รีบปรับปรุงแก้ไขมีอะไรที่ยังไม่ถูกกดถูกเกณฑ์เราก็รีบปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งก็จะเป็นปัจจัยให้เราสมเร็จสมประสงคนะ์ในสิ่งที่เราปรารถนาได้ฉะนั้นถ้าหากว่าใครมาพูดให้เราเกิดกําลังใจเราควรจะปูุกใจควรจะพอใจแต่ทุกวันนี้ถ้าใครมาชักชวนให้เรา ถ้าวัดเข้าวาหรือพูดเรื่องกรรมฐานรู้สึกว่าเราจะเบื่อนะเบื่อทายแต่ถ้าผู้หนึ่งผู้หนึ่งพู ด, พดประลมโลกเรามักจะยกย่องกันว่านั้นพูดดีนะนั้นพูดดีคนนี้พูดดีอ่าอันนี้แหละก็เป็นข้อที่ห้าเรียกว่าวิริยารัมพร ะ, ะถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดให้ปราลบความเพียรนะให้อยากเรียนอยู่เรื่อยนะใครบางคนก็เรียนมารีแล้วก็มาชวนให้เรียนทางโลกบ้่งนะ นี่พอเรียนทางโลกแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในทางบาลีเกิดเบื่อหน่ายในทางธรรมเมื่อเกิดเบื่อหน่ายแล้วคนนั้นก็แทนที่ว่าจะให้หวนกลับก็มาสนใจทางนี้ก็เปล่าก็ดึงกันเราต่ําไปยกใหญนะ่หรือบางคนเรียนบาลีก็อาจจะมีการวาชักชวนในเรียนอภิธรรมออันนี้มันก็ดีนะก็ดีทางนั้นจะเรียนบาลีเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรมก็ดีทั้งนั้นเรียนทางโลกมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีวิชาการทุกสิ่งทุกอย่างดีทางนั้นแต่เราต้องเรียนให้พอดี นะถ้าเรียนไม่พอดีมันก็ไม่ดีและเราต้องเรียนให้รู้ดีอย่าเรียนให้รู้มากนะการเรียนให้รู้ดีนี่มีประโยชน์มากไอ้สิ่งที่ว่ารู้ดีก็คือรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือได้แก่รู้ตัวปัญหาแล้วก็รู้เหตุเกิดปัญหารู้ความดับของปัญหาและรู้หนทางที่จะทําให้ปัญหานั้นหมดไปได้นะเรารู้อย่างนี้แหละเรียกว่าเรารู้ดีนะเรียกว่าเรารู้ดีฉะนั้นก็ ขอให้เราทุกคนนั้นจงปลารับความเปลี่ยนมากๆนะปลารับความเปลี่ยนมากๆคนมีความเพี่ยนเป็นคนแกล้วกล้าเป็นคนองอาจเป็นคนอาจหารเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะไม่กลัวความตายไม่เหน็ดเหนื่อยไม่กลัวแดดไม่กลัวลมไม่กลัวฝนไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีความเพียนเป็นคนย่อนย่อท้อถอยย่อนย่อท้อถอยมักจะอ้างว่านาวออกจะตายไปร้อนออกจะตายไปเย็นออกจะตายไปมืดออกจะตายไป มกักผัดวันประกันพุ่งผลที่สุดก็คือขุดหลุมฝังตัวเองอันนี้ไม่เกิดประโยชน์มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ทางเสื่อมเสียวงตระกูลไม่ดีมาในข้อที่หกก็คือศีลและคถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีลนะคนที่พูดให้ตั้งอยู่ในศีลก็คือคนที่ปรารถนาดีกับเรานะแต่บางคนไม่ชอบเหมือนกับว่ามันไปพูดทิ่มแทงใจเรานะ ด้าคนที่ชักนําให้เราตั้งอยู่ในศีลนะเราควรจะดีใจควรจะปลื้มใจควรจะยกมือกลับไหวเขาหรือควรจะพูดขอบ อ, อกขอบใจเขานะเพราะเขาดึงให้เราขึ้นไปสูงนะดึงให้เราขึ้นไปสูงคนเราทุกวันนี้กลัวนะกลัวว่าเขาจะเอาดีให้นะขอโทษแต่บางคนนี่พอพระพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วก็เบื่อแล้วไม่อยากฟังนี่แหละเขาเรียกว่าคนกลัว ตัวพระกันจะเอาดีใส่ไว้ในใจให้นะไม่อยากรับจะและ้วนะไม่อยากเอาจะและ้วนะอันนี้แหละมันผิดพลาดนะแต่ว่าถ้าใครมาพูดไอ้สิ่งปลอมโลกเชียนว่าดูหมอให้อ่าพูดนอนสนุกเฮฮาแล้วก็รู้สึกเราชอบนะเราชอบนี่แหละเขาเรียกว่าคนเข้าวัดแล้วไม่ถึงวัดหรือว่าคุยกับพระแล้วก็ไม่ถึงพระนะไม่ถึงพระอันนี้ก็มีเยอะนะก็มีเยอะเหมือนกัน ฉะนั้นขอให้เรานั้นควรจะดีใจปลื้มใจที่เขาเอาธรรมะมาให้เราที่เขาเอาศีลมาใส่ไว้ในใจของเรานะถ้าลําพังตัวเราเนี่ยมันไม่ค่อยใส่รอกนะมันไม่ค่อยใส่มิจะเอาให้ความโลภความโกรธความหลงมันจุเข้าไปในหัวใจเต็มแน่นเอียดจนบุญกุศลเข้าไม่ถึงนะบุญกุศลเข้าไม่ถึงฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงมันสนใจเกี่ยวกับเรื่องบุญทานการกุศลเรื่องมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแน่นอนที่สุดบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นมาก ศีลของเราก็จะเกิดขึ้นมากนะเอานี่เป็นข้อที่หกเกี่ยวกับเรื่องศีลและคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีลนะบางคนก็อาจจะมีการชวนให้ถือศีลห้าถือศีลแปดหรือว่าอถือ โ, โสตส์ศีษบางคนก็มาชักชวนกันให้ไปบวชพรามหรือว่าบวชเง่ยคัมมะบทอ่าศีลลจารีหรือศีลจารนีนีอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในอันเดียวกันแต่ว่าชื่ออาจจะแตกแตกต่างกันไป ยิ่งยังวันที่ห้าในก็มีการบวชพรามกันมากมีการบวชเน่คัมมะกันมากมีการบวชศีลจารีหรือว่าศีลจารีคําว่าพรามก็คือว่าหมายถึงว่าบวชแล้วประพฤติอย่างพรมนะก็คือต้องลอยบุญลอยบาปความโลภความโกรธความหลงก็ลอยออกไปอาบุญนั้นเข้า เ, าเข้ามาไว้ในใกายในใจนะสีลจารีก็คือว่าผู้ชายที่ประพฤติปฏิบัติมีศีลศีลจารีนีก็คือผู้หญิงที่ประพฤติเป็นบัติมีศีล แล้วก็คําว่าเนคคำมัคก็หมายถึงว่าการออกบทเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่จะออกบท ด, ด้วยการกนหัวนุ่งเหลืองหรือออกบท ด, ด้วยการโกนหัวนุ่งขาวหอมขาวก็ดีหรือจะไม่กนอผมกนอะไรก็นุ่งชุดขาวหอมขาวมันก็ดีทั้งนั้นคนที่จะออกมาได้อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะจะออกจากบ้านมานี่ไม่ใช่ง่ายที่จะมานั่งกินที่วัดนอนที่วัดนี่รู้สึกเป็นเรื่องอยากมากนะต้องคนที่มีจิตใจเข็งแข็งจริงๆ ต้องเป็นคนที่ชนะตัวเองนะอัตตาเวชิตตังเสยโยนะคนที่ชนะตัวเองนั่นแหละประเสริฐนะสามารถที่จะปลีกตัวออกจากบ้านได้ปลีกตัวออกจากสามีได้ปลีกตัวออกจากภรรยาได้ปลีกตัวออกจากลูกได้ปลีกตัวออกจากทรัพย์สมบัติที่บ้านของตนได้นั่นแหละคือคนประเสริฐคนเหลานโดยมากมัหมกมุ่นอยู่กับลูกกับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับทรัพย์สมบัติที่บ้านเป็นห่วงจนไปไหนไม่ได้นะเขาจึงบอกว่ามันเป็นห่วง มันเป็นบ่วงที่ที่เราต้องติดอยู่ในบ่วงทูกบ่วงนั่นรัดจนกระทั่งตายฮบ่วงที่หนึ่งก็คือบนะห่วงบดเนี่ยมันมัดเรานะมัดมือเราเอมันมัดคอเราบดนี่มันรัดคอเราบ่วงที่สองก็คือภรรยานะภรรยาสามีนี่ถือว่าเป็นบ่วงที่สองที่มันมัดมือเราบ่วงที่สามก็คือทรัพ์สมณ์นัดมันมัดเท้าเราเนี่ยแล้วเราลองนึกถึงความจริงลูกมันมากดคอเรา เมียมันมาเกอดมือเราสามีมันมาเกอดมือเราทรัพสมบัติเอามาผูกเท้าเราแล้วเราจะเดินยังไงเดินไม่ไหวนะเดินไม่ไหวนี่เรานึกถึงในแง่ของการเปรียบเทียบในขอน้อนี้เราเดินไม่ไหวตอนที่สุดเราก็ล้มอยู่ที่นั่นเองไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้บุญทานการกุศลกุนงามความดีเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติกันเลยนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ห่วงเหล่านี้มันรัดเราไว้รัดคอรัดมือรัดเท้าเราไว้จนเรา ไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเลยนี่แหละมันจึงมีแต่ทุกข์มีแต่โทษฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้เราทุกคนนั้นพยายามชักชวนกันให้มีศีลมีธรรมประพฤติในสิ่งที่ดีที่งามพยายามตัดบวงออกไปซะบ้างนะอะถ้าเราไม่ตัด่วงไอ้่วงนั้นมันก็จะงรัดแน่นเข้าไปอีกนะลูกคนก็รัดเข้าไปวงสองคนก็สอง่วงสามคนสาม่วงถ้าไปสิบคนก็สิ บ, บ่วงตายกันพอดอีไม่มีลมหายใจออกอีกแล้วรัด ก, กันจนตายนะรัดคอจนตายนี่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิด ในข้อที่หกเกี่ยวกับเรื่องศีลและคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีลข้อที่เจ็ดสมาธิคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้จิตสงบนะที่ชักนําให้จิตสงบก็คือว่าชักชวนให้นั่งสมาธิชักชวนให้เกิดสติปัญญาด้วยการเจริญสมถะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังลวกพิจารณาอารมณ์ของกรรมฐานสี่สิบอย่างตั้งแต่กรสินสิบอสุภาษิสันุสติสิฟมิหารสี อรูปฌานสี่ อ, อ า, าระเบริกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุวัฏฐานหนึ่งรวมเป็นสี่สิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทําให้จิตใจของเราสงบระงับจากนิวรณูปกิเลสได้นะสมาธินั่นก็ยังมีเป็ น, นขั้นๆเช่นว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิได้เพียงนิดๆดหน่อยๆจู่ครูจัวยามนะได้เป็นภักดีกก อ, อุปจารสมาธิสมาธิที่เข้าไปเฉียดอัปนาสมาธิเฉียดความมีจิตแน่วแน่แล้วนะอันนี้ได้นานอาจจะได้ ในหลายชั่วโมงหรืออาจจะได้เป็นวันๆถ้าก็ที่สามอัปปนาสมาธิก็เป็นสมาธิที่แน่วแน่ดั่งได้สามสิบสี่สิบชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเราก็ได้ฌานนะได้ฌานตั้งแต่ปัฏฐะฌานทุติยฌานตติยฌานญาตุทัชฌานต่อจากนั้นก็เราก็ได้อารูปฌานนะอารูปฌานแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยให้ถึงมรรคผลนิพพานได้นะฉะนั้นขอให้เราสนใจเรื่องการทาสมาธิเถิดนะฉะนั้น ที่เขาชักชวนกันไปบวชกันทุกวันนี้ก็โดยมากความมุ่งหมายก็คือว่าเพื่อไปอเสริมสร้างนะหรือว่าไปาสร้างเสริมคุณงามความดีสังเสริมความสางบแห่งใจเพรอยู่บ้านนั้นมันมีสิ่งที่ยั่วยวนใจมากมีสิ่งที่จะยัวย่วเราเกิดโลภโธสาม وها มันมากเหลือเกินทั้งวี่ทั้งวันแต่ถ้าเราเข้ามาวัดในวันอาทิตย์บ้างวันพระบ้างก็ถ้าว่าเราค่อยๆมาขัดมากราบมาเค า, าะหาเสน่ห์ให้มันลุกไปบ่างก็ดีอาทิตย์ละครั้ง วันท้าละครั้งเนี่ยเรกว่าเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์หรือว่าห้าอาทิตย์เราก็มาแค่ห้าวันในสามสิบวันมาห้าวันหรือว่ามาสี่วันสี่วันท้าอีกสี่วันทีทั่วแปดวันอสามสิบวันลงแปดวันอีกยี่สิบสองวันนั้นเราก็ไปเป็นเรื่องความโลภความโกรธความโล่งเสียนะในแปดวันนั้นเรามาให้บุญทานการกุศลมาถวายวัดเสียมันก็เป็นบุญเป็นประโยชน์นะที่เราควรมาพุทปฏิบัติกันฉะนั้นถ้าหากว่าเรา พาการสนใจสมาธิแล้วแน่นอนที่สุดสติปัญญาของเราก็เกิดพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิงพิก เ, เวพาเวถาสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติภีสุตั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงพูดกันด้วยถ้อยคาที่ชักนาให้เกิดความสงบก็คือปรารบแต่เรื่องศีลเรื่องธรรม ตาโรคความเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่คุยไปเพื่อตัณหาเพื่ออุปาทานเพื่อความอยากต่างๆเพราะฉนั้นแหละมันจะบีบเบียนบีบมันจะเบียดเบียนบีบบังคับให้เราต้องตกเป็นทาสของมันไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็เพราะอํานาจของไม่ตัวตัณหาอุปาทานนี่เองฉะนั้นนี่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิคาถาถ้อยคําที่จักนําให้เกิดความสงบมาในข้อที่แต่ปัญญาคาถาถ้อยคําที่จักนําให้เกิดปัญญา เช่นว่าชักชวนในไปศึกษาเรียนที่โนเรียนที่นี่ชักชวนในไปศึกษาเรียนนักธรรมชักชวนในไปศึกษาเรียนบาลีชักชวนในไปศึกษาเรียนพระอวิธรรมอ่าอันนี้มันเกิดสติปัญญาทางนั้นจริงอยู่แม้จะชักชวนในไปเรียนทางโลกก็เกิดสัญญาไงเกิดสัญญาแต่บางทีมันไม่ค่อยสงบปัญญาที่เกิดจากทางโลกนั้นมีเอาไว้ก็เพื่อทํามาหากินนะทา ม, มาหากินบางทีก็ต้องมาแย่งกันเอารัดเอาเปรียบกันจริงดีจริงเด่นกันแต่การศึกษาในธรรมานั้นเอามา ควบคุมการดําเนินชีวิตให้รู้จักยับยั้งชั่งดีว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรออย่างนี้แหละเรียกว่าเราได้ทําในสิ่งที่จะให้เกิดปัญญาทีนี้การที่จะชักชวนให้เกิดปัญญาเราก็ต้องรู้ว่าบอกเกิดแห่งปัญญาคืออะไรก็คือการฟั่งอการฟั่งการคิดอการเจริญภาวนา นั้นเขามีบรรยายที่ไหนเราก็มันไปตามฟังบ้างนะนะตามห้องประชุมต่งตางๆบ้างตามมหาวิทยาลัยต่งตางๆบ้างตามนักวารณ์ต่งตางๆหรือตามสมาคมต่งตางๆก็มีการบรรยายธรรมอภิปรายธรรมมีการโต้ ว, วาทีกันหรือตามสถานในวิทยุคมประชาสัมพันธ์อะไรนี้เขาก็มีอยู่เป็นประจำนะเราจะต้องเป็นคนนักสั่งปันญญาจึงจะเกิดแต่ทีนี้คนบางคนไม่อยากไปไหนเลยนะ อยู่ก็ไม่คอยคน้นคว้าอันจำรับจำรานะแล้วก็ไม่อยากไปฟังคนอื่นพูดด้วยอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สติปัญญาสูงยิ่งยิ่งขึ้นนะไม่สูงยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นกวามที่เราจะได้ปัญญามาเราจะต้องเป็นคนรู้จักฟังนะเป็นนักฟังและการที่สองต้องเป็นนักคิดในทางที่ดีที่ชอบคิดสร้างสรรค์ประการที่สามก็คือมันเจริญภาวนาจนกรทั่งที่สุดก็คือวิปัสสนาภาวนา ก็จะทําให้เรานั้นมีสติปัญญาจากการที่ยกสังขารขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะรู้ตามสภาวะความเป็นจริงว่าสังขารนั้นไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอเมื่อเป็นชนนี้ก็จะทําให้เกิดความเบื่อนหน่ายในสังขารปัญญาก็เกิดรู้เท่าทันขึ้นมาอรู้เท่าทันขึ้นมาต่อไปนี่แหละเป็นข้อที่แปะคือปัญญาคถาข้อที่เก้าก็คือวิมุตติกถาถ้อยคําที่ชักนําให้พ้นกิเลส เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนที่สุดมันเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันก็จะทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากกิเลสได้นะหลุดพ้นจากกิเลสได้การหลุดพ้นนั้นก็มีหลายอย่างเช่นมีทั้งวิมุตสองนะแล้วก็วิมุตสามอ่าแล้วก็วิมุตห้าอ่ายังเช่นเตโตวิมุตหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจก็หมายถึงว่าหาพระอริยบุคคลผู้ได้บำเพ็ญความเพียรด้วยการเจริญสมถะก็ดีนะด้วยการเจริญวิปัสสนาก็ดี นะก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงได้ ต, ดกตักิเลสตายคลายกิเลสทิ้งเห็นจริงคือความไม่มีตัวตนและจะเป็นผู้ที่แตกแขนในปฏิสัมวิทาสีอภิญยาหกนะอภิญญาหกนะนี่หมายถึงว่าผู้ที่ได้อที่ได้วิมุตนะเรได้เจโตวิมุตนะแต่การที่สองปัญญาวิมุติก็หลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญาผู้ที่หลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญาพวกนี้มักเจริญนวิปัสนาล้วนไม่ได้เจริญ ไม่ได้เจริญสมถะมาก่อนนะไม่ได้เจริญสมถะมาก่อนไอจะว่าไม่เจริญสมถะมาก่อนเลยก็ไม่ได้ก็มีแต่ว่าไม่ไม่มากนะไม่มากไม่เหมือนกับเจโตวิมุตนะถ้าเจโตวิมุต tn ี่ทําสมถะมามากแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาในท่วงท้ายอันนี้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าพิจารณาสังขาร อันประกอบด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อธิชังทุกขังอนัตตาไม่จีรังยั่งยืนก็ขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงไม่คงที่มันเป็นทุกข์มันทับแทนต่อไปก็แต่สลายไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนนะนี่อย่างนี้เรียกว่าอาวิมุตนะปัญญาวิมุตหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญาพระเถระที่ได้สําเร็จทางปัญญาวิมุตที่เรียกว่ า, าสุขาวิปัสสกะหรือสุขาวิปัสโกก็หมายถึงว่าเห็นอย่างแห้งแห้งแห้งแรงก็ ผู้ที่ได้น้ำอันนี้ก็ได้แก่พร ะ, ะจักกุบานเทระนะผู้มีทําความเพียรมากจนกระทั่งตาแตกนะลมเสียดแทงจนกระทั่งตาบอดนะตาบอดนะฉะนั้นจึงได้น้ำว่าสุขวิปัสสกรร ม, นะมาในข้อสุดท้ายวิมุตติยานัทสนักถาถ้อยคำที่จะนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสนะใจพ้นจากกิเลสวิมุตติย า, านัทสนักถาก็คือว่า อความเห็นความรู้อันหลุดพ้นอหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆอาสวะกิเลสอตัง้งแต่เรียกว่ากรรมอาสวะอาสวะคือกรรมภวาสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือความไม่รู้หรือดําเนินตามวิมุตห้า ก, ก็คือตทงังวมิมุตหลุดพ้นชั่วผู่ชโยยามวิคำปนะวิมุตหลุดพ้นด้วยการข่มไว้สมุทเฉตวิมุติก็หลุดพ้นอย่างเด็ดขา นะเป็นของพระอริยเจ้านะหรือปฏิปัิจิตที่วิมุตย์ก็คือหลุดพ้นอย่างสงบราคาบนิสรณระวนะิมุตต์หลุดพ้นด้วยการออกไปจากพวกนี้สามข้อต้นนั้นยังเป็นโลกิยาวันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่าอนุสติสิบประการคำว่าอนุสติก็คือว่าอารมณ์ที่ควรระลึก นะอารมณ์ที่ควรลึกอารมณ์ที่ควรนึกถึงมีอยู่สิบประการก็คือหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสองธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสาสังขานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ 4. สี่ศีลานุสติระลึกถึงศีลของตน ห้าจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วหกเทวตานุสติระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเจ็ดมรณะสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนแปดกายยะคตาสติระลึกถึงทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามหน้าเกลียดเป็นของโสโครกเก้าอาณาปานสติ ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกสิบอุปสมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานซึ่งเป็นที่สงบระงับซึ่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงทั้งสิบอย่างนี้เรียกว่าอนุสติคืออารมณ์ที่ควรระลึกหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดพาการเจริญอนุสติที่แปลว่าควรระลึกอยู่เนืองๆหรือว่าความระลึกตาม แน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญผู้ที่ระลึกถึงกุลแห่งพระพุทธระธรรมพระสงฆ์นะผู้นั้นก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเช่นเราสวดบทพุทธานุสตินะพุทธานุสติอิติปิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธ หรือบทธรรมานุสติสวาขาโตภควตาธรรมโมหรือว่าสวดบทสังขานุสติสุปาติปันโนภควาโตสาวกสังโคเหล่านี้เป็นต้นนะก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นได้ละลระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมก็คือว่าเจริญธรรมานุสติและสังขานุสติเมื่อบุคคลมาเจริญระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อย่างนี้แล้วก็ย่อมเป็นเหตุทำให้จิตใจสงบระงับปราศจากความม่วงเหงาหาวนอนและเป็นปัจจัยให้มีจิตตั้งมั่นในสัมมาปฏิบัติเป็นเหตุไม่ให้หลงงม ง, งายในปฏิปทาที่จะปลูกศรัทธาภาษาะให้เกิดขึ้นในพระรัะตนาฏใจนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้พระพุทธองค์ได ให้เราได้รู้ได้ทราบนะเกี่ยวกับเรื่องการทำจิตใจให้สงบอีกอย่างหนึ่งการที่เราได้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติภาวนาเป็นอุบายที่จะบรรเทาความง่วงหรือว่าแก้ความง่วงได้นะถ้าเราปฏิบัติทามันง่วงเราก็สวดมนต์สวดมนต์ง่วงเราก็เดินจงกรมเดินจงกรมง่วงเราก็นั่งสมาธิ วนเวียนกันไปถ้าหากว่ามันยังไม่หายง่วงก็เอานะแก้โดยเอาน้ำานํำลวกอาบน้ําแล้วก็ยังไม่พอแงนดูท้องฟ้าเอาขนไก่ย้อนหูแล้วก็ยังง่วงก็นอนเถอะนะนอก น, นี้นอนถือว่าไม่ไหวแล้วนอนเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> นะสบายใจอืมฉะนั้นอุบายที่แก้ง่วงก็คือการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอ่า การจะเดินพุทธานุสติก็คือเวลาเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะโดยยอกก็มีสามนะมีสามก็คือพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิ์คุณพระมหากรุณาที่คุณนะโดยพิสดานก็มีเก้าที่ว่าอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะอระหังสัมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัสรู้เองโดยชอบนะวิชาจานะสมปัโนโนละ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสิบ้าวิชาสามจารณะสิบ้าสุขโตเป็นผู้สเสด็จไปดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งลกอกอนุตตรโูริสธรรมสารติทรงเป็นครูฝึกที่ยอดเยี่ยมหาบุคคลเปี่ยไม่ได้สถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูฝึกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เรานี้เป็นต้นได้ชื่อว่าการที่เราได้ระลึกถึงคุณพระคุณของท่านนะระลึกอย่างนี้ก็จะทําทให้เราบรรเทาความวุ่วาเงาเหานอนได้และยิ่งไปกว่านั้นก็ทําให้เกิดสติปัญญาได้เรามาระลึกถึงธรรมก็คือว่าให้นึกถึงว่าคุณของพระธรรมนั้นย่อมไม่นําให้ตกไปในที่ชั่วนะย่อมไม่นําให้ตกไปในอบยภูมินะฉะนั้นจึงบอกว่าธรรมจจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะย่อมอยู่เป็นสุข และคนที่ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปทุกขติตรงกันข้ามคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมย่อมไปทุกขตินะฉะนั้นเจงขอให้เราทุกคนนั้นจงมันตามมัลึกถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตั้งแต่สวารขาโตัะวะควตาธรรมโอพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนะถ้าเราคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดพระธรรมของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อการอสํารอกกิเลสเป็นไปเพื่อความ หมดกิเลสตัณหาเป็นไปเพื่อความอสิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์ก็คือถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองนะถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองถ้าเราพากันจเจริญปฏิบัติอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสงบเราก็จะมีแต่ความะจะเจริญมีแต่ความสะดวกสบายเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าพูดในปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะเป็นเหตุอัศจรรย์นะอัศจรรย์รับผู้ที่ปฏิบัตินั้น ใครปฏิบัติน้อยก็ย่อมได้น้อยใครปฏิบัติมากก็ได้มากมันอยู่ที่ตัวเราไงอยู่ที่ตัวเราว่าแล้วเราปฏิบัติถูกไหมถูกมากไหมถ้าถูกมากก็ได้สุขมากถูกน้อยก็ได้สุขน้อยฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงพากันเจริญธรรมานุสติหรือว่าสังคานุสติก็คือสุปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโฆก็คือว่าให้เรานั้นได้เจริญว่า พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้อพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติสมควรออย่างนี้เราก็จะทําให้เรานั้นเกิดกําลังใจนะเกิดกําลังใจที่นี้ความเป็นพุทธนั้นอแน่นอนที่สุดคือเราต้องทําจิตใจของเราให้เป็นพุทธการทําจิตใจให้เป็นพุทธก็คือว่าทําจิตใจให้รู้ให้รู้ปัญหารู้เหตุเกิดปัญหารู้ความ ดับปัญหาและรู้ค้นทางให้ถึงความดับปัญหาก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ว่าค้นทางให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้ก็คือเราทําใจให้เป็นพุทธนะแล้วคนก็เป็นได้พุทธนี่ไม่ใช่หรอกจะมีเจ้าพ่ะผู้หนึ่งผู้ใดนะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นได้ตัวรู้ตัวนี้นะคด้วยรู้เนี่ยเป็นกันได้จางนั้ น, นแต่ว่าจะเป็นพุทธภูมิหรือว่าพุทธเจ้านั้นผู้หญิงเป็นไม่ได้นะต้องผู้ชายเท่านั้น ชนิดพระธรรมเหมือนกันใครก็ปฏิบัติได้ใครก็มาปฏิบัติได้เอหิปัสติโกเรียกมาดูกันได้นะพระธรรมนี่ใครปฏิบัติก็ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะไม่มีใครเป็นเจ้าของฉะนั้นเ อ, อพราะว่าพระธรรมนี้เกิดก่อนพระพุทธเจ้านะมีอยู่คู่โลกแล้วแต่ว่าอาศัยพระองค์นั้นเป็นผู้ค้นพบนํามาบอกว่าสิ่งนี้เป็นกุศลธรรมสิ่งนี้เป็นอกุศลธรรมนะสิ่งนี้เป็นอภิญาการธรรมนะี่ ฉะนั้นใครจะปฏิบัติก็ได้นะฉะนั้นก็ให้เราได้ปฏิบัติทำแล้วเราก็จะได้ความสุขเป็นอเนกประการนะสุวิชานโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญนะฉะนั้นขอให้เราก็สนใจในธรรมแล้วเราก็จะรู้ดีนะประการที่สามก็คือสังขานุสติให้ลึกถึงคุณของพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็น เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของท่านแล้วก็อบรมสั่งสอนให้ประชาชนปฏิบัติตามเมื่อเราได้รับการอบรมสั่งสอนจากประชาชนให้รู้ดีรู้ชั่วทํากิจใจให้สงบแล้วเราก็ต้องรู้จักตอบแทนคุณด้วยการอุปถัมบํารุงพระสงฆ์องค์เนนบํารุงศาสนาด้วยปัจจัยสี่ตามสติตามกําลังศรัทธาของเราหรือให้เรานึกถึง คุณของวสุงทั้งเก้าที่บอกเมื่อกี้นะั่นแหละสุปฏิปันโ น, โโพน 9, นะพ 9, เพราะว่าโตสาวกสังโฆโดยพิสดารก็มีเก้านะพระพุทธก็เก้าแล้วทำมีหกนะเก้าหกเก้านะที่พูดอย่างนี้มันจะให้หวยนะเดี๋ยวจะนึกเอาไปแทงกันในยุ่งอีกนะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไม่เข้าใครออกใครมันหมดมาจะเยอะแล้วนะหมดมามากงั้นตอนนี้ก็ เ, เห็นมีทางในวง ท่านผู้รู้ต่างๆก็กําลังจะหาวิธีการต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องพวกตัวเลขต่างๆที่พวกพระอาจารย์บอกใบให้หวยกันเรารู้สึกว่ามันเกิดความหายนะมากยิ่งทางภาคอีสานนี่กําลังหลงมัวเมากันอย่างหนักเลยตอนนี้นะหลงมัวเมากันอย่างหนักฉะนั้นในเรื่องอบายามุกนี่พระพุทธองค์ก็ตัดไปเลยวว่าใครประพฤติแล้วก็เสื่อมทุกคนใครเล่นแล้วก็เสื่อมหายนะทุกคนไอ้คนที่มันจะได้มันน้อยเต็มทีนะมันน้อยมันเสียจะมากกว่า บางครั้งนี่เล่นไปสิบครั้งถูกครั้งเดียวเราคุยไปเจ็ดวันเจ็ดคืนไอ้ผิดไปเก้าครั้งไม่พูดนะผิดไปเก้าครั้งไม่พูดแล้วได้มาก็ได้เป็นแค่นิดหน่อยไอ้ที่เสียไปเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่พูดอีกนะฉะนั้นจึงบอกว่าอสิ่งนี้มันไม่เข้าใครออกใครมันหมดเนื้อหมดตัวนะปลิ้นปล้อนหมดหนาหมดไรหมดทรัพสมบัติในบ้านก็หมดนะฉะนั้นขอให้เราอย่าลหลงไหลไปฝันในอบายามุกเลยอ่านะอบายามุกมันก็เชื่อมันก็บอกเลยว่าปากแห่งความเสื่อม ราเอาอะไรไปทิ้งมันก็ลงไปก็เสื่อมดังนั้นแหละนี่ก็ถ้าหากว่าเราทุกคนมาเจริญอนุสติแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจนะมาในข้อที่สี่ก็คือความระลึกถึงศีลของตนตามภูมิที่เป็นกรหัสหรือบันบัิตด้วยสามารถแห่งคุณมีความที่ศีลไม่ด่างพร้อยเป็นต้นได้ชื่อว่าเจริญศีลานุสติถ้ายัง ถ้าศีลยังไม่บริสุทธิ์บกพร่องในข้อใดก็จะแก้ไขในข้อนั้นให้บริสุทธิ์แต่นั้นก็จะเกิดความปิติปราโมทและเป็นเหตุให้ตั้งใจตั้งมั่นในสมาธิโดยง่ายทั้งจะกําจัดศิลถินามิธะได้นะหมายถึงว่าคนที่ได้อพิจารณาถึงศีลของตนในข้อที่ว่าศีลานุสติเพื่อนึกถึงภูมิธรรมภรูมิศีลของตนว่าตนมีศีลอะไรมีศีลห้าศีลสิบศีลแปดหรือว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด เมื่อเรานึกอย่างนี้ก็พยายามทําศียรของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้หม ด, ดจดยิ่งขึ้นแล้วพยายามาศึกษาต่อไปอีกฮของที่ยังสูงกว่านี้ยังมีอีกมากธรรมะที่ยังสูงกว่านี้ยังมีอีกมากเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานยังมีอีกฉะนั้นเราไม่ควรจะหยุดเราไม่ควรจะพอใจแค่นั้น อ, อันนี้แหละ่าจะทําให้เรานั้น มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วถ้าเรานึกอคิดอย่างนี้แล้วจะเกิดความปีติในธรรมเกิดความปราโมทเกิดความพอใจในธรรมการที่ทําให้ใจเป็นสมาธิได้เร็วนี้ก็ถือว่าเป็นบุญญาวาสนาของเราอีกอย่างหนึ่งบางคนนั่งแล้วก็ไม่่อยมีสมาธินะหรือบางคนก็อาจจะ นั่งแล้วไม่ถูกเจริตกันหรืออารมณ์นั้นไม่ถูกกันก็เลือกเอาตามอัตยาสายอารมณ์ข้มกรรมฐานมีตั้งเยอะสี่สิบอย่างดังที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้มาในข้อที่ห้าจะคานุสติหมายถึงว่าให้เราระลึกถึงทานที่เราได้บริจาคแล้วเป็นที่มั่นเป็นที่เครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่ระลึกนึกถึงย่อมก็จะเป็นปัจจัยให้เราน้มใจไปนะ อ, อยากที่จะกระทาต่อไปอีก ทำให้เรามีจิตใจมีทียาัยไม่ละโมบโลกมากอเป็นผู้อนุโลมตามเมตตาแล้วกล้ามากไปด้วยความอิ่มใจบันเทิงใจอโดยคิดว่าเราได้กระทาความดีไว้และก็เป็นปัจจัยให้ทําความดีต่อไปอแล้วก็กําจัดถีนั้นมิถะความโง่เหงาเหงาน อ, นอนได้ความโง่เหงาเหงานอนได้อทั้งสี่ข้อนี้เรียกว่าสามารถที่จะปราบ ความง่วงเหงาหาวนอนได้ตั้งแต่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสตินี่พวกนี้ก็คือว่าปราบนะปราบอะไรปราบถีนมิทธะนะความง่วงเหงาหาวนอนได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนก็มานึกถึงบุญทานการกุศลที่เราได้กระทาไปเมื่อเรานึกถึงอย่างนี้เราก็จะปลื้มใจว่าโอ้เป็นโชคดีของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานะได้มีโอกาสได้ทําบุญ อเอรียกว่าศาสนาของเรานี่ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญอันเปรตเสด็จของโลกนะเป็นเนื้อนาบุญเราเรามีอิสระมากนะของเรามีอิสระมไม่มีการบังคับเป้าหมายของศาสนาพุทธนั่นก็คือว่ามีนิพพานมีสังขารเป็นต้นสายมีนิพพานเป็นปลายสายนะนิพพานเป็นปลายสายต้นสายก็คือให้เรามาพิจารณาสังขารเป็นเรื่องต้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ก็คือถึงนิพพานนะ จะต้องไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดนะไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดแล้วก็ให้เรานึกถึงว่าเรามีโอกาสอยู่ในพระพุทธศาสนาใน้พบพร ะ, พระนะได้พบพระก็ควรจะภูมิใจอย่านับภาษาอะไรแก่ อ, อต่างประเทศเลยแม้แต่ว่าบางครีในภาคพีกันดาลบางครั้งก็หาพระสงฆ์องค์เนนทําบุญไม่ได้หาพระสงฆ์องค์เนนกราบไม่ได้นะ พอไปเห็นพระสงฆ์เนี่ยเรามาชุ่มชื่นใจดีใจเหลือเกินเป็นบุญเป็นกุศลเหลือเกินนะอันนี้ก็เหมือนกันอบางทียิ่งคนไทยเราไปอยู่ในต่างแดนเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจหาเกินกับพระหาพระไม่ได้อพอไปเห็นพระอยู่ในต่างแดนรู้สึกว่าปลื้มใจนะบางคนบอกว่าเม่เห็นแล้วดีใจมากนะครั้งหนึ่งเราจะมาะมีโอกาสนะไปทางยุโรป ไปในอังกฤษฝรั่งเศสอสวิตเซอร์แลนด์ไอ้คุณเนี่ยเ น, น, นเธอร์แลนด์นเบลเยียนเขไปเดินเดินตามถนนก็ปรากฏว่าได้พบคนไทยพอเขาเจอเขาตั่งไหวเลยนะเขาดีใจปลื้มใจมากเขาบอกว่าเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์พอรู้ว่าอพระจะมาที่อังกฤษนี่ไหมเขาก็เลยต้องบินมามาคอยเพื่อต้องการที่จะมาพบพระมาไหว้พระมากราบพระนี่ได้ทําบุญกับพระทําบุญใจบาทอเพราะห่างเหินบ้านเราก็รู้สึกว่า ใจมันแห้งแล้งใจมันห่อเหี่ยวนี่มันเป็นอย่างนั้นคือคนเรานี่หนีพระไม่พน้นะขาดพระไม่ได้นะฉะนั้นจึงขอให้เราทุกคนนั้นจงมันปฏิบัติธรรมกันเถอะนะอย่าประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาวไม่เท่าไม่แกเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิ่งปฏิบัติได้ดีนะถ้าแก่แล้วมันก็อกทําอะไรมันก็ไม่่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะนั่งมันก็ปวดก็เมื่อยตาเกอกฝ้าหูก็ตึงนะ จะลุกทิ้งก็ออดโอยจะนั่งทิ้งก็ออดโอยแมมันไม่สะดวกไปหมดเลยนะไม่สะดวกฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงมันพากันสร้างคุณงามความดีให้มากโดยเฉพาะก็คือว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานึกถึงคุณที่เราได้บริจาคทานไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลได้ถวายพระสงฆ์องค์เนนสร้างสานลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอถนนหนทางอันนี้มันเป็นบุญทางนั้นเรานึกถึงอย่างนี้ก็จะทําให้ใจของเรานั้น แน่นอนที่สุดน้อมใจไปในเรื่องของการบุญการกุศลนะไอเรื่องความโลภโกรธหลงไม่เอาละลงไปนะแล้วก็มีแต่จิตเมตตาแก้วกล้าอยากจะทําบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอยากจะทําดีให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะทั้งหมดนี้เรานึกได้อย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นเกิดสติปัญญาและก็ทําให้เรานั้นไม่ง่วงเหงาเฮานอนอีกด้วยนะมาในข้อที่หกคือผู้มุ่งเจริญ อเทวตานุสติข้อที่หกก็คือเทวตานุสติให้เราลึกถึงเทวดาหรือคุณของเทวดาก็หมายถึงว่าการที่เรารเลิกถึงเทวตานุสตินั้นต้องเป็นผู้ประกอบด้วยคุณต้องเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศรัทธามีสุตตะมีจาระมีปัญญาทั้งหมายถึงว่าต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสถูกต้องในธรรมไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายหรือว่าไม่วันไหว มีความไม่หวั่นไหวมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิติตาคนมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทําอะไรก็สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างศรัทธาเป็นเพื่อนที่สองของเร า, าเพื่อนที่สองของเราที่จะชักนําเราไปสู่เป้าหมายปลายทางในทางที่ดีที่งามได้ศรัทธ า, าถือว่าเป็นสเสบียงที่จะส่งเราไปที่จะพาเราไปสู่สุขติ หรือสู่พรหมโลกหรือสู่นิพพานได้นะฉะนั้นเราจะต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องแรกเนะี่ยต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องแรกแล้วก็มีสุดตาก็คือว่าการเป็นผู้ได้สดับตรับฟังนะคนที่ได้สัตดับตรับฟังมามากแน่นอนที่สุดย่อมในเปรียบคนอื่นก็คือได้สติได้ปัญญามากนะมี ส, สติปัญญามากอนะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลนี้คนที่ได้สําเร็จในการฟังก็มีมาก ท่านเขาจึงแบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็นสามประเภทข้อทหนึ่งก็คือว่าสัพพัญยูพุทธเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าโดยการรู้เท่าทันต่อสภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างขอ้อที่สองสุตตะพุทธเจ้าก็คือเป็นพ ร, ร, ร, ร, รนนะพุท ธ, ธเจ้าด้วยการฟังข้อที่สามสาวะกับข้อที่สองปัจเจกับพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการรู้เฉพาะตนสอนคนอื่นไม่ได้ข้อที่สามสุตตะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการฟัง ข้อท่สาวกกะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยการฟังแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติตามนี่ฉะนั้นจะบอกว่าคุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องฟังนี้ถือว่าเป็นการสร้างสติปัญญาเป็นการเรียนโดยธรรมชาตินะไม่มีเขียนในตําราฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงเป็นนักฟังเป็นนักฟังที่ดีรู้จักฟังแล้วก็ฟังให้เป็นเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เอาแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศล แล้วก็ให้เรามีจาคะก็คือมีการเสียสละนะเพื่อแบ่งปันไปให้กับคนอื่นให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากแล้วขอให้เรามีปัญญานะมีปัญญามีศรัทธาก็ต้องให้มีปัญญาฟังก็ต้องฟังให้เกิดปัญญาฟังให้เป็นเสียสละก็ต้องเสียสละให้มีปัญญาเพราะตัวปัญญานี่แหละเป็นตัวอทํากิจในการ ตัดนะตัดความชั่วตัดตัวโมหะนะนะนะแล้วก็มีลักษณะก็คือสว่างสวยนะแต่นั้นแนะ่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายนะเพราะว่าการที่เรานึกถึงคุณของเทวดานะแล้วก็นึกถึงคุณศรัทธาของตนอย่างนี้เทวดาทั้งหลายนะก็ที่เราได้นึกถึงนั้นแนะ่นอนที่สุดก็จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความสบายใจ เมื่อเป็นมนุษย์ประกอบด้วยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์แล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆเช่นว่าเรามีคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นเห็นปานนั้นแล้วก็จะได้ชื่อว่าเราจเจริญเทวานุสติคําว่าเทวดานะัมีอยู่สามประพวกก็คือหนึ่งสมมุติเทวดาเทวดาโดยสมมุติก็คือได้แก่พระราชาหมากษัตริย์สองอุปปฏิเทวดาได้แก่เทวดาโดยกรรมเนิดนะพวกลอยเกิดนะพวกนี้พวก ลอยเกิดบวกโอปปาติกะหรือก็ก็ดิสามวิสุทธิเทวดาก็ได้แก่เทวดาโดยวิสุทธ์ก็ได้แก่พระอรหันต์นั่นเองนะพระอรหันต์นั่นเองฉะนั้นในเรื่องของเทวดากาทําที่ทําคนให้เป็นเทวดาก็คือหิริโอดตปะหิริความละอายแก่ใจโอดตปะความเป็นกลัวคนมีธรรมสองประการนี้ก็จะได้ชื่อว่ามีธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาดังพุทธภาษิต ท, ที่จัดไว้ว่า ฮิริโอตตะสัมปนาสุกะธรรมสมายิตาสันโตสัปุริสาโลเกเทวธรรมมาติวุจเรผู้ถึงพร้อมด้วยความผู้ถึงพร้อมด้วยฮิริโอตตะมีธรรมอันขาวมีธรรมของสัตว์ปรุษผู้นั้นเราเรียกว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณเน คุณของผู้เหตุผลก็ตั้งแต่คุณของปราชาซึ่งถือว่าเป็นเทวดาโดยสมมุติจะก็อุปาติเทวดาเป็นเทวดาโดยกำเนิดะจะเป็นลุ ก, กเทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่เตียนเทวดาสิบกชั้นนะั่นตั้งแต่ภุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานะี่ยชั้นดาวาดึงชั้นดูสิบชั้นยามาชั้นนิมมาชั้นปรนิมมาเนี่ยเรานึกถึงแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราแล้วก็นึกถึงวิสุธทธิเทวดาก็คือเลิกนึกถึงพระอรหันต์เช่นพระพุธะทธธรรมพระอริยสงศ์ อันนี้แหละจะทําให้เราเกิดความสงบนะมีจิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นได้เร็วมาในข้อที่ข้อที่เจ็ดนะข้อที่เจ็ดก็คือว่าให้เรานั้นได้นึกถึงนอกจากคุณเทวดาแล้วก็ให้นึกถึงความตายนะนึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนคนเราถ้านึกถึงความตายแล้วก็ทําให้ใจที่เกิดความพยศนะเกิดความพยศ อไอท้ทีใจของเรามันผุพองกำเริบเสบสารมันก็จะหายไปจะหายไปได้ให้นึกถึงความตายเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นกลัวตายนะไม่มีใครที่ไม่กลัวตายเอแต่ว่ากลัวตายมันก็ตายไม่กลัวตายมันก็ตายมันตายทางนั้นแหละนะตายทางนั้นเอเพราะว่าความตายเป็นของยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนแต่ว่าเราจะนอนเมื่อไหรแนละ้วมันไม่แน่นะมันไม่แน่ จะนอนวันนี้พรุ่งนี้ชั่วโมงนี้มันไม่แน่มันนอนได้ทั้งนั้นทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกแต่จะนอนที่ไหนก็ไม่รู้อีกจะนอนในห้องจะนอนที่วัดก็จะนอนที่โรงพยาบาลจะนอนในรถนอนในเรือนอนบนเครื่องบินนอนตอนนนทนทางหรือว่านอนในแม่น้ํามันไม่แน่มันมีโอกาสได้บางคนก็ไปนอนบนเครื่องบินก็มีอตายกลางอากาศก็มีเครื่องบินระเบิดบ้างชนกันบ้างอนี่ก็มีเยอะ บางคนก็สร้างบ้านไวได้ว่าจะนอนตายบนบ้านเอาเล่าไม่ได้นอนบนบ้านนั่งรถไปรถไปชนกันตายกลางถนนก็มีเอาบางคนก็นั่งเรือไปก็ไปเอเกิดช็อกตายหรือเรือเกิดชนกันอะไรกันเนี่ยในแม่น้ํำลาคลองอันนี้ก็มีเยอะมันไม่แนนะ่เรื่องความตายนี่มันไม่แน่ตายได้ทางนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได ตัดไว้บอกไว้แล้วว่าอัจฉรวยะกิจมาตะปังปึงนิดทําความเปลี่ยนแต่วันนี้กอชัญญาบรานังสุเวใครจะรู้ว่าจะความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาความตายอยู่เนืองนิดแน่นอนที่สุดความตายก็มาสถิตยอยู่ในใจของเราทําให้เรามีความกล้านะมีความกล้าที่จะประกอบคุณงามความดีทําให้เราไม่ประมาทมัวเมานะไม่ประมาทมัวเมา เมื่อเราไม่ประมาทมวเมาแน่นอนที่สุดนั่นแหละคือเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยสมบูรณ์ที่สุดคนที่ประมาทก็ทําอะไรผิดพลาดอ่าพลั้งเผลอแล้วเลอเผลอตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือคนประมาทก็คือคนที่ขาดสติก็คือคนที่ย่ํายีอคุณธรรมของตัวเองอพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าปมาโทมัจุโนปังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอปมาโทอมตังปทังคนไม่ประมาทก็คือคนที่ไม่ตายอ เยยตาเ ย, ะยะประมาตายเยถามาตาคนไม่ประมาทก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายนะคนประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายก็หมายความว่าคนไม่ประมาทแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่ก็เหมือนไม่ตายอย่างหนึ่งและเมื่อตายไปแล้วก็เหมือนกับไม่ตายเพราะคุณงามความดีของเขานั้นยังเป็นอนุสาวรี์ให้อนุชนรุ่นหลังได้กราบได้ไว่ายไดเรียนรู้ไดรับทราบ ตรงกันข้ามคนที่ประมาทแม้มีชีวิตเป็นอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วเมื่อตายไปแล้วก็เงียบไปเลยด้วยว่าคนสาบแช่งไปเลยนี่แหละฉะนั้นจะบอกให้เรานึกถึงความตายนะแล้วเราจะได้ไม่กลัวตายเมื่อเราไม่กลัวตายจิตใจของเราก็เกิดความสงบนะเกิดความระ ง, งับนะไม่มีทิฏฐิมานะไม่กระเรากไม่ยิงพยองจองของต่างๆนานานเราก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจและจิตก็จะเป็นสมาธิเร็วด้วย แล้วก็สามารถที่จะปราบอุทจจาระปุจจารความฟุ้งซ่านลาคาญใจคนเราในี่ใจมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาไอ้คําว่าใจฟุ้งมันก็ฟุ้งเป็นฝุ่นฟุ้งเป็นทุลีมันเป็นหมอกมันเป็นเมฆ ม, ม, มันปิดบงังทําให้สติปัญญาของเราไม่เกิดหรือว่าเกิดขึ้นมันก็หุ้มห่อไว้มองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงในเมื่อตาเห็นโรคหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจในึกคิดในอารมณ์ต่างๆเราก็จะหลงหลงขาดขาดกเกิดไม่ดีฉะนั้น เรามีสติพิจารณานึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจและจิตก็จะเป็นสมาธิสามารถที่จะปรากความฟุ้งซ่านลำพันธใจเสียได้มาในข้อที่เก้ากายยัคตาสติให้เราได้ระลึกถึงทั่วไปในกายให้เห็นว่าเป็นของไม่งามน่าเกลียดเป็นของโสโครกนะการจเจริญกายยัคตาสติมีสติพิจนารณาในกายว่าในกายของเรานั้นมีเต็มไปด้วยดีเสเลดหนองเลือด พาต่างๆ น, นานาถ้าเราได้ไปดูตํารงพยาบาลที่ในแพทย์เขาพาให้อ่าพิสูตรต่างๆหรือว่าเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาดูเราไปเห็นก็มันคนเราก็เหมือนกับพวกสัตว์ไม่ไมีไม่ไม่มีอะไรต่างกันนะเหมือนกับหมูเหมือนกับวัวกับควายนะเวลาเขาทําแล้วเขก็ ก, กอบโวยเอาไส้นั้นออกมาหมดเลยนะเอามากองไว้ก็วิวิใช้ดูตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นยังไง ไอ้โรคนั้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยะังนั้นเราจะเห็นว่าแหมไปเห็นแล้วก็น่าขยะขยงมากมันเป็นของโศโครกจริงๆเลยนะถ้าเราไปเห็นตอนนั้นแล้วเราจะไม่เกิดความหลงไหลไฝ่ฝันในเรื่องสังขารเลยสักนิดเดียวเรามีแต่จิตหดหู่นะเกิดธรรมสังเวชนะแล้วรู้สึกว่ามันเหม็นคาวอยู่ตลอดเวลานะคนเรานี่เหม็นคาวกันมากแต่ที่เราไม่เหม็นข่าวเนี่ยเพราะอาวิชามันปิดบงัง อีกอย่างหนึ่งก็เพราะไอเอาไอา้พวกของป ล, มปลอมๆมาพวกน้ําหอมพวกแป้งเอามาประล่อไว้ข้างหน้านะทาทาเลินตัวไว้ก่อนให้มันหอมไว้ก่อนดักจมูกไอคนง่อไว้ก่อนไอนะคนโง่อก็เลยติดก็เคยหลงนะก็เคยลุ่มเคยหลงไปอนะ่ก็เคยทาให้ตัวเองนั้นก็ต้อง เ, อเสื่อมลาบเสื่อมยศไปตามสภาวะตามเหตุการณ์ต่างๆนานาแต่นั้นแ า, ากว่าเราได้พิจารณาถึงตายนะ ก็จะเห็นกายในกายว่ามันเป็นของไม่มีอะไรที่เราควรจะยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่เราควรจะลหลงไหลไปฝันกันไม่มีอะไรที่เราควรจะมาแข่งแย่งกันนะแข่งแย่งกันช่วงจิงกันจุดฆาณาจาริ์กันไม่สมควรเลยนะไม่สมควรเลยนี่ฉะนั้นเราพริจารณ้ก็จะทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นได้นะตั้งมั่นเกิดความสงบก็สามารถจะปราศ กุฏะจะกุกุจจะได้มาในข้อที่เก้าก็คือให้เจริญอาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนะเมื่อลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้นนะนี่สติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลากำหนดรู้ในกองลมทั้งปวงกำหนดอย่างนี้เรียกว่าสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อบุคคลเจริญแล้วก็ย่อมเป็นอุบายเครื่องปลุกขีด ที่ดิ้นรนกัดแกงให้สงบแน่วแน่ได้ง่ายเพราะกรรมฐานนี้เป็นอุบายกําจัดปุดทับจากกุกุจจานิวรณ์ก็คือความผู้สั่นลำคันใจจนกระทั่งถึงที่สุดก็คือว่าทําให้เรานั้นมีสติปัญญาได้วิชาได้วิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้มาในข้อที่สิบอุปสมานุสติก็แปลว่ารเราลิกถึงความสงบระงับหมายถึงพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติที่สงบระงับจากกิเลสตัณหานะเรานึกถึงอย่างนี้ได้ก็แน่นอนที่สุด ก็จะทำให้เรานั้นเกิดความสุขกายสบายใจคือถึงนีิรอดคือความดับนิพพานคือธรรมชาติหาเครื่องเสียจแทงไม่ได้แม้แต่บทใดบทหนึ่งก็ชื่อว่าเจริญอุปสมานุสติฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอนุสติสิมาก็เป็นเพียงย่อย